ที่ปฏิปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทิยรูปอาศัยมหาภูตรูป ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ e. ้นบทที่มีสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูลพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระด้วยเหตุนี้ไม่มีบทสุดท้าย 6. สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่ง ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นอายขันสองจิตตาสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อายอาโปธาเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้บทที่มีสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมมลพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระไม่มีบทจบ 7. สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อายสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยขันธ์ที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยอาโธาเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้พึงจำแนกเป็นเจดวาระอนันตรปัจจัยและสมันันตระปัจจัย 8. สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมันันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอารามณปัจจัยสหชาติปัจจัย 9. สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะสหชาตะปัจใจได้แก่มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้น จากขายัตนะรัายัตนะอาศัยโดทภพายัตนะเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุกเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญัตตพรมมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นพึงจำแนกบทที่มีสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูลเป็นเจตวาระด้วยเหตุนี้สิสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสหชาตะปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและระตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสอง หาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไัยวัตถุเกิดขึ้นจิตแตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาไทยรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาเกาิดขึ้นอิถินสีเกลลิงกราหารอาศัยอาโปธาเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมกระตาตารูป ที่เป็นอุ ป, ปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาเกิดขึ้นบทที่มีสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูล to พึงเพิ่มเป็นเจ็ดวาระด้วยเหตุนี้สิบอสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจยัยได้แก่จิตตะสมุทารูป ที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตาตารูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นออปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ และอาศัยอาโ ป, าปาาธา ต, า, โปาต์เกิดขึ้นรูปายตนะอาศัยโพธพายตนะและอาโปธาต์เกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอาสัญญาสัตยพรมกระตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาต์เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้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 สภาวะธรรมที <just> <ly> said, ่เห so ็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญปัจจัยได้แก่อาโปธาตอาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญปัจจัยได้แก่ มหาภูตรูปสองและอาโปธาตอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งและอาโปธาตอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นที่เป็นภายนอก13สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่ง ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและหาไทยวัตถุอาศัยขันหนึ่งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นอาศัยขันสองหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ มหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยอาโปธาเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกสิสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาเกิดขึ้น มหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสองและอาโปทาเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกนิจยปัจจัยเป็นต้นสิบห้าสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะนิจยะปัจจัยเพราะอุปาณิจยะปัจจัยเพราะปุเรชาตะปัจจัยเพราะอาศัยวณัปัจจัยเพราะกรร ม, มะปัจจัยเพราะวิปากะปัจจัย เพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรีย์ปัจจัยเพราะชาณะปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมยุญตปัจจัยเพราะวิปุญญปัจจัยเพราะอัติปัจจัยเพราะนาฏปัจจัยเพราะวิขตาปัจจัยเพราะอวิขตาปัจจัย 1. ปัจญานุโลม 2. สังคยาวาระสุทนัย 16. เหตุปัจจัยมี2 1วาระ อารามณะปัจจัยม An ีหนึ่งวาระอธิปติปัจใจมียี่สิบเอดวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสะชาตะปัจใจมียี่สิบเอ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสียะปัจใจมียี่สิบเอ็ดวาระอุปนิสียปัจจัยมีหนึ่งวาระปเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวะนปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปัมมะปัจจมียี่สดวาระวิปากปัจจัยมี21ดวาระมหาระปัจจัยมี21ดวาระเอินทริยปัจจัยมี21ดวาระชานะปัจจัยมี21ดวาระมัคคปัจจัยมี21วาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมี21ดวาระอัติปัจจัยมี21ดวาระนัติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิคตาปัจใจมียี่สิเอ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจยปัจจนีย ะ, ะ, ยะหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุปัจใจสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง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 ตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยอาปโปธาต์เกิดขึ้นโมหะที่สหรโค ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโค ด, ด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรโค ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะเกิดขึ้นพึงจำแนกบดที่มีสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมนูลเป็นเจตวาระด้วยเหตุนี้สิเก สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยขันธ์ที่เป็นอะเหตุทุกะซึ่งเห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอะเหตุทุกะกระตารูปที่เห็นได้และกระทบได้ อาศัยขันที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูต ร, รูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นรูปายตนะอาศัยโพธภา ย, ายตนะและอาโปธาตเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน ที่มีอุตุเป็นสมุธฐานสำหรับเราอสัญญาสัตยพรมประตดตารูปที่เป็นอุปาทยรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้รู้พึงขายายให้พิสดารเป็นเจ็ดวาระนาอารมณะปัจจัยยี่สิบสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้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 ให้พิสดารเป็นเจ็ดวาระด้วยเหตุนี้ยี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะน่าอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ อายขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นหาทายวัตุอายขันเกิดขึ้นจิตแตสมุทานรูปและกระตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อายอาโปธาตุเกิดขึ้นอิถินสีเกาเลืองกราหารสายอาโปธาตุเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญัตพรม กระตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาต์เกิดขึ้นบทที่มีสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูลเพื่ขยาให้พิจารณาเป็นเจ็ดวาระด้วยเหตุนี้ยีสิบสอสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยได้แก่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 และอาศัยอาโปธาต์เกิดขึ้นรูป na, ายตนะมาศัยโพธภายตนะและอาโปธาต์เกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุกเป็นสมุทฐานสําหรับเราอาศัยสัตยปรมกระตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาต์เกิดขึ้นในขตนา จึงจำแนกเป็นเจดวาระด้วยเหตุนี้ณอธิปติปัจจัยเป็นต้น2 3สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหาชาตปัจจัยเพราะณอนันตระปัจจัยเพราะณสมนันตระปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป และกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นจากขายตนะรษายตนะอาศัยผูถายยตนะเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทรานที่มีอุตุเป็นสมุทรานสำหรับเราอสัญญสตพรมกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้พึงจำแนกเป็นยี่สิบเอ็ดวาระละถึงพรนะน้าอุปนิสยปใจพระน้าปุเรชาตปใจพระน้าปัจฉาชาตะปั จ, จพรน ะ, ร ะ, ะจจพรนะ้าจจ อ, นอาศัยวุณปั จ, จพรนะนักกรรมปใ จ, จได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง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 พึงเพิ่มเฉพาะในปัญจโวการพบเท่านั้นเพราะหนาอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเหล่าอาสัญญสัตยพรมด้วยเหตุนี้พึงจําแนกเป็นยี่สิเอดวาระหน้าอินทริยปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสี่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะหน้าอินทริยปัจจัยได้แก่ ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมรูปประชีวตินรีอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นย่อพึงจำแนกวาระทั้งปวงเพราะนาชาาะปัจัยได้กแก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุฐาน สำหรับเหล่าอาสัญญสัตยพรมมหาภูต ร, รูปหนึ่งย่อพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนาัชฌานปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่จะหอโรครด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นอาศัยขันสองที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน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 ที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาสัญญัตตพรมกระตตารูปที่เป็นอุปาทยายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และอาศัยอาโปธาสเกิดขึ้นพึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระด้วยอาการอย่างนี้เพราะน้ามัคคะปัจจัยพึงทําให้เหมือนกับหนเหตุปัจจัยพึงทําให้บริบูรณ์ไม่มีโมหะเพราะณสัมปยุตตปัจจัย พระนววิปยุตตปัจจัยพึงทำให้บริบูรณ์เพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตาปัจจัย 2. ปัจจยะปัจจนียะสสังคยาวาระสุทไนัย26สนเหตุปัจจัยมี21ดวาระนอารรมณปัจจัยมี21วาระนอธิปติปัจจัยมี21ดวาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ21ดวาระ โนนัติปัจใจมียี่สิบวาระโนวิคตะปัจใจมียี่สวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจ尼ยะเหตุทุกข์ภยนยี่สิบเจ็ดณอารมณะปัจใจกับเหตุปัจใจมียี่สอวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมี2ีวาระนกามปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจใจมียี่สดวาระ ณนะสัมปยุตตปัจใจมียี่สิบเอวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, นะ ะ, จจาระโนนัติปัจใจมียี่สิเอดวาระโนวิคตะปัจใจมียี่สิบเอ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญจิยะจบ 4. ปัจจิยะปัจญจิยานุโลมนะเหตุทุกคในยี่สิบแอารมณะปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมานันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมียี่สบเอดวาระชานะปัจจัยกับนเธอตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระมัคคะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมียี่สิบเอดวาระอัติปัจจัยมียี่สิบเอดวาระนัตติปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระาวิคตปัจใจมีมี21วาระพึงนับอย่างนี้ปั จ, จนียานุโลมจบปิิเจวาระจบสหชาตะวาระปัจยะวาระและนิสยวาระเหมือนกับปิิเจวาระพึงเพิ่มสังสถัววาระและสัมปยุตตวาระเฉพาะในอรมปาวจรภูมิเท่านั้น 22. สิสนิทัสนะสัพปติตระิก็ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปั จ, จญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน และจิตตสมมุทานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุตปัจใจในปฏิสนธิขณะเหตุที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแฉ่สามระยุตตะขันและปจิตารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุตุปปัจใจสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแฉ่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยเหตุปัจัยได้แก่เหตุที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมถานรูปที um ่เห um ็นได้และกระทบได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเฉพาะบทที่มีสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูลพึงจำแนกเป็นเจตวาระด้วยเหตุนี้อารมณะปัจจัยสาสสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารมณะปัจจัยได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งรูปโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นเนนตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินรูปนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจชาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมณะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักรุรูปายตนะเป็นปจัจจัยกขจักโขวิญญาณโดยอา ร, รมณปัจจัย ขันธ์ที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติยานอนาคตังจายานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง โมานะเจียเกิดขึ้นบุคคลฟังเสียงด้วยที่ประสงตรท่าสัทธายตนะเป็นปัจจัยแค่โสตะวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแค่์กายะวิญญาณขันธ์ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแค่อิทธิวิทยานปูเพนิวาสานุสติยานอนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยสอสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูวโอทานมรรคผล และอวชนะจิตโดยอารมณะปัจใจพระอริยะพิจารณาเิเรที่ละได้แล้วพิจารณาเิเรที่ข่มได้แล้วรู้เิเรที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งหาทัยวัตุอิทินสีบริสินสีชีวิตินสีอโอะโธทาต์กัลริงกราหานขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนินะจึงเกิดขึ้น บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ด้วยเจโตปริยญาณอากาสานาัญจาตนะเป็นปัจจัยแข่วิญญาณานัญญาตนะโดยอรมณะปัจจัยอาคินจัญ ญ, ญ, ญาตนะเป็นปัจจัยแข่เนวสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแข่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณโอเพนิวาสารวสติญาณ ยลากรมูปัจคยานอนาคตังจยานและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยอธิปฏิปัจจัย3สสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปฏิดได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินรูปให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินรูปนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุกายเสียงกลิ่นรสโภทภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นสาสิสาสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาทิปติและสหชาตาธิปติอารมนาทิปาตาปรรปิได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคออกจากผลพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจแจัยแก่โคตระภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปฏิปัจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินหทัยวัตุอิถิรีโบริสินีชีวิตินี อาโปธาเกาลิงนกราหานขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินหาทัยวัตถุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุดขันและจิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอธิปฏิปัจจัยบทที่มีสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูล พึงจำแนกเป็นเจ็ดวาระพึงจำแนกอธิปดีธรรมโดยสงเคราะห์เข้าในรูปสามอย่างอนันตรปัจจัยสาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอนันตระปัจจัยได้แก่คันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดกลอนเป็นปัจจัยแห่งคันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดหลัง โดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัตเนวสัญญาณสัญญายาตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัตโดยอนันตรปัจจัย สมนันตปัจจัยส5สหาสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยสมนันตประจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยเป็นต้น 36. สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยสหชาตปัจจัย เพือทำให้เหมือนกับปฏิจจวาระในอัญญมัญญะปัจจัยเหมือนกับอัญญมัญญปัจจัยในปฏิจจวาระในนิสยาปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระอุปนิสยาปัจจัย37สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอุปนิสยาปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปนิสยาและ ป, ะ ก, ป, ะ, ล ะ, ปะกะตูปนิสยา ประกาศตัปาเนสยะได้แก่บุคคลเมื่อปรารถนาวันสมบัติจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถวันสมบัติเป็นปัจจัยแห่ศรัทธาปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและพระลักมณสมบัติโดยอุปานินสยะปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอุปานินสยะปัจจัย มีสองอย่างคืออาราโมปะนิจยะและปะกะตูปะนิจยะปะกะตูปนิจยะได้แก่บุคคลเมื่อปรารถนาจากผูสมบัติเมื่อปรารถนากายสมบัติสัทธสมบัติโพธ ภ, ภสมบัติจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถบุคคลอาศัยอุตุเสนาสนะแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถธรรมฌานวิปัสนามัคอภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงฆ์จากขุสมบัติโพธภพษสมบัติอุตุเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายมรรคและระรสมาบัติโดยอุปนินสยปัจจัย 38. สสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแ่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอุปาินสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารามโูปาเนสยาอนันตโรปาเนสยาและปะกะตูปาเนสยาปะกะตูปาเนสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะเถิดทิฐิอาศัยศีลปัญญาราคะความปรารถนา สุกทางกายทุกทางกายและโพชนะแล้วให้ทานทำลายสงศธาปัญญาราคะความปรารถนาสุกทางกายทุกทางกายและโพชนะเป็นปัจจัยแก่ศธาปัญญามรรคและพระสมมาบัตโดยอปปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย39สสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณะปเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะป ร, ะรากฏความยินดีเพลิดเพลินรูปนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจจาอุทจจะโทมทะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักขุรูปายัตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาติและวัตถุปุเรชาติอารมณ์ปุเรชาติได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายเสียงโภทพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนะจึงเกิดขึ้น บุคคลฟังเ ส, ส studying studying ียงด้วยที่ประสงค์ท่าทัดสถายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยว e ัตถุปุเรชาตะได้แก่จักกายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาต ะ, ะ, าตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งอหิยวัตถุอิถธินีปุริสินีชีวิตินีอาโปทาตเกลวเลงกราหานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่ หาทายวัตุเป็นปัจจัยแข่ขันที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาตะปัจจัยสีสิบสภาวะธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณปุเรชาตและวัตถุปุเรชาตได้แก่รูปายตนะและหาทายวัตุ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 เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาติปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตและวัตถุปุเรชาตได้แก่รูปายตนะและจักรยายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัย Thank you.